พระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าเธอคิดเห็นอย่างไรครั้งก่อนเมื่อเป็นครหัดเธอเป็นผู้จานาในการดีดพินไม่ใช่หรือท่านพระสนะ ก, กราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือ